ของเราโอ้ยติดตั้งก็ได้ตี ต, ติอ่อนๆก็ติดแล้วนี่นะไม่ต้องปฐมฌานอะไรที่ไหนหรอกนะแค่ฟังแล้วสบายใจก็ติดหนับแล้วนะเหมือนกันเนอะโดยทั่วๆไปนี่จริงๆแล้วเป็นแค่นั้นนะพอไปนั่งคนลุกชูชันคนลุกขนพองมั่งนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วโดยเนี่ยนะเข้าใจอะไรเล็กๆน้อยๆก็โอ้ยดีแล้วเนี่ยนะก็โอ้ยมันห่างกันเยอะนะถ้าเทียบกับอาราละดาบทเป็นต้นเนี่ยโอ้ยห่างกันหรือจะห่างกันยังไงอะนะ ในอัตถกถาอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยว่านันบอกว่าในหน้าอะไรนะหน้า4 4 1 4 2ที่บอกว่านายังธรรมโมนิพิธายะแปลว่าธรรมะคือสมาบัติทั้งเจ็ดนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายในวัตตะเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายใ น, ในการมาพบเป็นต้นอย่างแท้จริงเนี่ยนะไม่เป็นไปเพื่อคลาย กำหนัดหน้า442ไม่ได้เป็นไปเพื่อเบือนนายในวัตฏะไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่ได้เป็นไปเพื่อดับปลาคะโทสะโมหะไม่ได้เป็นไปเพื่อความสงบวัตฏะไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่ง ถ้าอยู่กับอากินจัญญายตนะสมาบัติไม่รู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งไม่กําหนดรู้ทำที่ควรกําหนดรู้ไม่ได้ละทำที่ควรละไม่ได้ทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งไม่ได้เจริญในธรรมที่ควรเจริญเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เป็นไปเพื่อเห็นอริยสัจเมื่อไม่เห็นอริยสัจก็ไม่เป็นไปเพื่อแทงตลอดอนุปาทาปรินิพานเนี่ยนะถ้าเทียบเปรียบเทียบวิสุทธิเจ็ 7, ก็ไปหยุดอยู่แค่จิตตวิสุทธิซึ่งไม่มีโครงการเพื่อ ทิฏฐิวิสุท ธ, ธิกังขาวิตรณาวิสุท ธ, ธิอะไรไม่เลยโครงการถือว่าสิ้นสุดจบลงที่จิตตาวิสุท ธ, ธิแล้วก็พอแล้วเนี่ยนะไม่ได้เปิดทางเพื่อการเจริญคุณธรรมเพื่อบรรลุมรดผลนิพพานอย่างอื่นเลยเป็นไปเพียงเพื่อให้เกิดในอากินจัญญาญาตนะพบเมื่อตัวเองคิดว่าตัวเองถึงที่สุดแล้วทําไงก็มาสอนสิ่งเหล่านี้ก็เพลิดเพลินติดใจยอยู่ใน อากินจัญญายจตนาพบเพราะฉะนั้นมันไม่มีสูงกว่านี้แล้วก็ต้องเวียนกลับมาสู่ชาชรามรณะโสขาปริเตวะทุกโทมณอุปาญาปเนี่ยนะคล้ายๆก็ว่าอะไรนะตัวเองอยากพ้นจากการเป็นนักโทษประหารใช่ไหมมีคนไปแนะนําเออมาพักที่นี่สักครู่สิเอาแค่พักมันไม่ได้แปลว่าพ้นจากความเป็นนักโทษประหารตัวเองอยากจะลุนจะหลุดจากต้องการหลุดพ้นจากการเป็นนักโทษประหารเพราะฉะนั้นชวนมานั่งพักผ่อนแว้แบเดียวเนี่ย ไม่เอาอยู่แล้วบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้มาสแสวงหาแค่นั่งพักผ่อนะแต่สแสวงหาธรรมที่พ้นจากการเป็นนักโทษประหารก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะมันก็เลยเดินจากอาจารย์นั้นไปเสร็จ แ, แล้วก็ในข้อ318ดูก่อนพิสูจน์ทางลายเรานั้นผู้สาะแสวงหาว่าอะไรคือกุศลกุศลคืออารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แเนี่ยนะมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น นะระดับโสดาปฏิมาสกธาคามีมักอนาคามิมักและอรหัตตมักเนี่สแสวงหาว่ากุศลอันนั้นนเป็นอย่างไรขณะที่เราสแสวงหาความสงบอันประเสริฐซึ่งหาความสงบอันอื่นยิ่งกว่าไม่ได้มีเนี่ยนะคือสแสวงหาอาริยมักที่ไม่มีมักใดที่จัดยิ่งกว่ามักนี้ก็เข้าไปหาใครอุทกดาบทรามบาบทก็อาจารย์ที่เก่งกว่าเก่งกว่าใครเก่งกว่าอาลาแลดาบท เราไปถึงแล้วก็กล่าวว่าท่านรามะเนี่ยนะไปถึงเนี่ยพระโพธิสัตว์จะไม่ไว่ายไม่ไว่ายอาจารย์เหล่านี้เพราะถ้าว่า้ศีรษะอาจารย์เนี่ยแตกเจ็ดเสียงเนี่ยนะบุญบุญของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่คนอื่นเคารพไม่ใช่ท่านเคารพ บ, บุคคลอื่นเนี่ยนะเพราะท่านมีบุญขนาดนั้นอ่ะนะท่านเข้าไปหาอุทกะดาบทรามบุตก็กล่าวว่าท่านรามะข้าพระเจ้าปราทานจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้ เมื่อเรากล่าวอย่างนี้อุทกะดาบทรามบุตรก็กล่าว ก, ากับเราว่าเชิญอยู่เถิดท่านธรรมะคือเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้เป็นเช่นเดียวกับธรรมะที่วินยูชนทำให้แจ้งลัทธิอาจารย์ของตนด้วยความรู้ยิ่งเองเข้าถึงอยู่ได้ไม่ช้าเลยถ้าได้สิทธิฉลาดเนี่ยนะคำสอนอันนี้เนี่ยปฏิบัติไม่นานหรอกก็ได้เท่าอาจารแหละว่า ง, งั้นดูก่อนี่สุทั้งหลาย เราเรียนธรรมะนั้นได้อย่างรวดเร็วไม่ช้าเลยเพียงเปิดปากเจรจาปราใสเท่านั้นพออาจารย์ปิดปากลงเนี่ยนะเราก็กล่าวยานวา่าเทราวาดและทั้งเราทั้งผู้อื่นก็ทราบชัดว่าเรารู้เราเห็นจบกระบวนวิชาหมดเลยเนี่ยนะเก่งจริงๆเลนะอาจารย์พูดจบเนี่ยคือถ้าหากว่าพื้นฐานท่านไม่ฉลาดขนาดนี้แล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรใช่ไหมาศาสดาของเราไม่เคลารอกเนี่ยนะ ได้จริงคิดง่ายๆนี้ก็ดีนะโอ้ยได้อะไรนะได้ภาษาสดาที่เก่งจริงๆนะเป็นศาสดาที่มีปัญญาหาที่สุดไม่ได้นะพระโพธิสัตว์ก็เลยพอเรียนจบก็เลยคิดว่ารามาบุตรรามบุตรก็คือบุตรของรามเนี่ยนะบอกว่าย่อมบอกทำคือเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้ไม่ใช่ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราก็ทําให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงอยู่โดยที่แท้ท่านรามบุตร ก็รู้เห็นธรรมนี้อยู่ต่อจากนั้นเราก็เข้าไปหาอุทะกดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านกระทําให้แจ้งซึ่งธรรมนี้ด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงบอกได้ด้วยเหตุเพียงเท่าใดเมื่อเราถามอย่างนี้อุทะกดาบทรามบุตรจึงบอกเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแก่เราเราก็คิดว่าไม่ใช่แต่เพียงอุทะกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและ ปัญญาแม้เราก็มีศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มบำเพ็ญเพียร เ, เพื่อทําให้แจ้งซึ่งธรรมคือเนวสัญญาณสัญญาญตนะที่อุทะกดาบทรามบุตรที่ที่ดาบทบอกว่าเราเนี่ยทให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองเข้าถึงอยู่ได้พิกษุทั้งหลายเราก็ได้ทาให้แจ้งซึ่งธรรมนั้นด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงอยู่ เนี่ยนะก็ปฏิบัติตาม嘛นะอาจารย์แนะนําปั๊บก็ปฏิบัติตามสองสามวันเราก็เข้าไปหาอุทกะดาบทรามบุตรแล้วก็ถามว่าท่านรามะท่านทําให้แจ้งซึ่งธรรมนี้ด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงบอกได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรือท่านผู้มีอายุแม้ข้าพเจ้าก็ทําให้แจ้งซึ่งธรรมนั้นด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงบอกได้โดยเหตุเพียงเท่านี้แล อันนะอาจารย์ก็รับรองบอกใช่เหมือนกันเป๊ะเลยนะพระพุท ธ, ธพระพุทธิสั์ก็บอกว่าท่านรามะแม้ข้าพเจ้าก็ทําให้แจ้งซึ่งธรรมนี้ด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองด้วยเหตุเพียงเท่านี้เหมือนกันเนี่ยนะเพาเท่าที่อาจารย์พูดเนี่ยผมก็ทําได้เท่าอาจารย์เหมือนกัน อุทกะดาบด ร, รามบุตรก็ดีใจบอกว่าเป็นลาบของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้เห็นสัพพมารีเช่นท่านเป็นท่านรามะท่านกระทําให้แจ้งซึ่งทำใดด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงบอกได้ท่านก็กระทําให้แจ้งซึ่งทำนั้นด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงและบอกได้ท่านทําให้แจ้งซึ่งทำใดด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงอยู่ได้ ตัวเราคือรามะก็กระทำให้แจ้งซึ่งทำนั้นด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงแล้วก็บอกได้สรุปว่าข้าพเจ้ารามะได้ทราบทำใดท่านก็ทราบทำนั้นท่านทราบทำใดข้าพเจ้ารามะก็ทราบทำนั้นเป็นอันว่าข้าพเจ้ารามะเป็นเช่นใดตัวท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดข้าพเจ้ารามะก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดเราทั้งสองอยู่ร่วมกันบริหารคณะนี้นะนะแต่งตั้งเท่าตําแหน่งตัวเองเลยเนี่ยนะ เรานั้นคิดว่ า, เ, าเขาบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอุทกะดาบทรามบุตรทั้งที่เป็นสะพรมจารีกก็ยังยกย่องเราไวในฐานะอาจารย์ียลว่าอะไรนะขณะเป็นอาจารย์ก็ยังแต่งตั้งไวในระดับเท่ากันเนี่ยนะและบูชาเราอย่างโอฬารด้วยประการชานิ้นับถือเคารพทั้งยกย่องเนี่ยนะมีเครื่องสักการะอะไรก็ยกให้พระโพธิสัตว์ก่อนเลยมนะั้ แต่เรานั้นก็คิดว่าเนวะสัญญานาสัญญายาตานี้คือตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌ า, านตัติยฌ า, านรูปฌานและอรูปฌานนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อให้เจริญอนุปัสนาเจตเลยนะไม่ได้เป็นไปเพื่อวิราคะคืออริยมรรคนิโรธาคืออริยผลหรือนิพพานอุปสมะสงบจากวตาอภิญญายะ รู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งสัมโพธายะแทงตลอดอริยสัจสีไม่ได้เป็นไปเพื่ออนุปาธาปริณิพานเลย น, นะสรุปว่าไม่เป็นไปเพื่อวิราคะไม่ได้เป็นไปเพื่อสงบวัฏฏะไม่ได้เป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจเลยโดยที่แท้ย่อมเป็นไปเพื่อเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะพเท่านั้นเพราะอะไรทําให้เกิดใน เนวสัญญาณาสัญญาญตนะพบซึ่งมีอายุ 84% ดหมพกับเราไม่พอใจเบื่อหน่ายจากธรรมนั้นจึงหลาไปเพราะท่านไม่ได้สแสวงหาศีลและจิตวิสุท ธ, ธิใช่ไหมไม่คือวิสุท ธ, ธิแบบประเภทที่เฝ้าวัตตะเนี่ยไม่ท่านไม่ได้สแสวงหาโลกียธรรมไม่ได้สแสวงหาภวกธรรมไม่ได้แสวงหาวัตตะเพราะฉะนั้นถึงให้ยื่นข้อเสนอวัตตะที่สูงสุดให้ก็ไม่เอ า, เอานะ อาจารย์คนก่อนคืออุทกะดาบทเนี่ยยื่นอากินจัญญาญตนะเกือบยอดสุดยอดของวัตตะแล้วใช่ไหมอุทกะดาบทเนี่ยยื่นข้อเสนอคือเรียกว่าสูงสุดของวัตตะคือภวะกะพรมเนี่ยนะพวะกะพรมก็คือเป็นชื่อของเนวะสัญญาณาสัญญาญตนะพระธิุถุษะเอาไหมไม่เอาเพราะไม่ได้สแสวงหาสังขารธรรมสังขารธรรมเหล่านั้นจะประนีตขนาดไหนก็ช่างท่านก็ ไม่เอาแล้วก็เบื่อหน่ายจากรมนั้นก็ลาจากไปเนี่ยนะเพราะอไรเพราะท่านไม่ได้แสวงหาพบมันนะไม่ได้แสวงหาการมาพบรูปประพบละอรูปประพบเนี่ยนะไม่ได้แสวงหาสังขารธรรมทั้งหลายเลยแต่แสวงหาพระนิพพานเนี่ยนะไม่ได้แสวงหาการเกิดในพบแต่ต้องการแสวงหาการดับพบไม่ได้แสวงหาการอยู่ในพบแต่ต้องการแสวงหาการออกจากพบไม่ได้แสวงหาสิ่งที่เคลื่อนจากพบแต่ต้องการออกจาก พบเนี่ยนะจุติปฏิสนธิอยู่ในวัตตะไม่ใช่สิ่งที่พระองค์สแสวงหาเนี่ยนะมันก็ดูว่าคนที่เขาสแสวงหานิพานเขารู้อะไรบ้างไหมไม่ใช่ว่าโอ้ยเออแต่ชื่อนิพานนิพานนิพานใครบอกอะไรเป็นนิพานเรื่องหมดเลยมนะันะในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นคล้ายๆแบบนั้นแนหะส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าคือนิพานคืออะไร บางทีไปนั่งนิ่งๆสงบสง บ, บอกว่านี่แหละใช่เลยเนี่ยนะบางทีมีปีติปราโมทบ้างเล็กๆน้อยๆผู้ผประวาบิบบาอะไรก็โอ้เนี่ยใช่เลยเนี่ยนะหรือไปเห็นดวงแก้วดวงแหวนอะไรสักอย่างเนี่ยก็บอกโอ้นี่ใช่เลยแล้วก็หยุดอยู่ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งที่พระองค์มาสแสวงหาเพราะเราต้องเจริญอนุสติเจริญพุทธานุสตินับตั้งแต่พระองค์เนี่ยสแสวงหา การตรัสรู้และพระองค์ตรัสรู้อะไรตรัสรู้ว่าอย่างไรพุทธานุสติเหล่านี้จะช่วยประครับประคองสัมมาทิฐิของเราให้เจริญงอกงามตามคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนบางท่านบอกไม่ได้หรอกต้องรีบไปมั้ถ้าคุณไม่รู้ทางจะรีบยังไงมันก็ไปไม่ถึงโลกนั่นนะถึงถ้ารีบมากแล้วรีบเดินกลับทางล่ะเดินสวนทางเห็นไะหรีบมากแต่เดินสวนทางมักแปดล่ะ มันก็ไม่ใช่อยู่แล้วเนี่ยนะมันถ้าถามว่าจะรีบต้องรีบทําความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าแตสรู้อะไรแต่รีบทําความเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยดีอย่างไรรีบความเข้าใจว่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านปฏิบัติอย่างไรถ้าจะรีบรีบทําความเข้าใจในสาระรีบทําความเข้าใจในอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาถ้าปรารถนาที่จะ บ, บริุทิ์บรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องศึกษาข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นอย่างไรนิพพานและข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานกลมกลืนกันท่านว่างนั้นนะนะนิพพานและข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นเป็นธรรมที่กลมกลืนกันเป็นอันเดียวกันอย่างลงสู่ที่เดียวกันแล้วก็สแสวงหาครั้งที่สองก็ไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมอาจารย์ที่หนึ่งก็ไม่ใช่อาจารย์ที่2ก็ ไม่ใช่มันก็จบแล้วอ่ะใบนบรรดาอาจารย์ยอดของอาจารย์ปรมาจารย์ทั้งหลายในยุคนั้นที่เก่งที่สุดมันก็แค่นี้แหละทําไงดีล่ะไม่หาไม่รู้ไปหาอาจารย์บ้านไหนเมืองไหนแล้วใช่ไหมที่หรืออาจารย์จําอวดทั้งนั้นแหละอาจารย์เนี่ยจําอวดแปล ว, ว่าจนนําได้แล้วเอามาอวดต่อเนี่ยก็เลยเรียกว่าจําอวดเนี่ยนะแต่ว่าเ อ, อาจารย์ที่เข้าถึงปฏิบัติประดับนี่ยมันก็มีอยู่องค์นี้มันก็หมดแล้วหมดแล้วทําไงต่อดูก่อนพี่สูุทั้งหลายเรานั้นเป็นช ผู้ชอบเรียกว่าฝ่หาเสาะแสวงหาว่ากุศลเป็นอย่างไรขนาะไดเนวสัญญาณนะสัญญาญตนะแลใช่ัหมมันก็ไม่ใช่กุศลกุศล น, นี่แบ่งเป็นอะไรกุศลประเภทกา ม, มาวาจรกุศลประเภทรูปาวจรกุศลประเภทอรูปาวจรและกุศลประเภทโลกุตระท่านไม่ได้แสแวงหากุศลกา ม, มาวาจรรูปรวาวจรและอะรูปาวจรเลยแต่ท่านต้องการสแสวงหาโลกุตระกุศลและข้อปฏิบัติให้ได้ บรรลุโลกุตระกุศลก็เลยเรียกว่าชอบหรือเป็นผู้สาะแสวงหาว่ากุศนเป็นอย่างไรขณะที่เราสแสวงหาความสงบอันประเสริฐซึ่งหาความสงบอื่นยิ่งกว่านี้ได้เป็นชื่อของพระ น, นิพพานเนี่ยนะพระนิพพานที่ออกจากวตะเราก็เลยเที่ยวจาริกไปในมคตชนบทโดยลําดับสำนักของอาลาละดาบทุตกะดาบทอยู่ที่เมืองไหน อยู่ที่เมืองราชครืึ้เนี่ยนะอยู่ที่เมืองราชครืึ้เมื่อเราเที่ยวจ่าริคไปในมคตชนบทโดยลําดับก็ไปถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งห่างจากเมืองราชเครือขไปกี่กิโลประมาณ90กิโลเนี่ยนะจากเมืองราชเครืึ้มาที่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยเกือบเกิบกิโลนะที่นั่งรถกันครึ่งค่นวันอะ่ะเนี่ยถนนยางตรางูงั้นนะนี แล้วก็สูงต่ำมีต่างหากเขาบอใครไม่เคยรู้จักว่าแผ่นดินไหวเป็นยังไงเขาไปนั่งนั่งรถถนนเส้นนั้นดูแอ่บอกก็ยังไงบอกกระดอนหน้ากระดอนหลังกระดอนซ้ายกระดอนขวาแล้วก็ดีดขึ้นบนถึงยังไงลักษณะนี่อะไรนี่อะเรียกว่าแผ่นดินไหวคล้ายๆแบบนั้นนะพระโพธิสตร์ก็เดินทางแต่ว่าใช้เท้าเดินเนี่ยใช้เวลาไม่กี่วันก็ไปถึง